สวัสดีรัพพี่น้องครับนี่เสียงจากสีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่ห้านะครับชีวิตพระเยซูตอนที่ห้าผมขอทบทวนเมื่อวานนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของเทศกาลปัสกาเทศกาลปัสกา this ก็เริ่มต้นในสมัยของโมเสสนะครับเพื่อที่จะนาชนชาติอิสราเอลออกจากถิ่นรุรกันดารในวันนี้เรากำลังพูดถึงปรยซุคริต ที่โปรงได้เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเลม็มเพื่อที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกาเช่นเดียวกันครับเราคงนึกภาพอ่อนครับเมื่อพระเยซูทรงเห็นบิดามารดาของโปรงคุณพ่อคุณแม่ของโปรงเดินทางไปที่เยรูซาเลม็มหลายข้างหลายหนครับโปรงก็ทรงคงจะทรงฝันว่าเมื่อไหร่ชักทีที่จะได้ทรงไปด้วยในตอนนี้นะครับเราจะหันมาดูบันทึกทางประวัติศาสตร์ เพื่อจะทราบว่าการเดินทางของพระเยซูนั้นจะเป็นอย่างไรพอพครองก็ทรงเป็นครอบครัวที่คุณพ่อเป็นช่างไม้ก็นับว่าเป็นครอบครัวที่ยากจนนะครับยากจนพอสมควรไม่ได้เป็นครอบครัวที่ร่ํารวยอะไรโดยปกติแล้วพวกเขาจะเดินทางมาเป็นเหมือนกับกระบวนคารวานครับคือเดินทางมาเป็นกลุ่มๆนะครับโดยพวกผู้ชายจะเดินทางมาเป็นกลุ่มเดียวกันนําหน้าเลย แต่พวกผู้หญิงนั้นก็จะเดินผู้หญิงและเด็กก็จะเดินตามกันมาตกขําครอบครัวใครครอบครัวเขานะครับครอบครัวเดียวกันก็จะล้อมวงรับประทานอาหารในการเดินทางก็มักจะเดินทางโดยทางเท้านะครับและคาดการกันว่าการเดินทางโดยทางเท้าจากนาซาเลสซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระเยซูนะครับเป็นเมืองที่พระเยซูเติบโตขึ้นถ้าจะเดินทางจากนาซาเลสมาที่เยรูซาเล็มนั้นต้องใช้เวลา ประมาณสามวันครับโดยเส้นทางปกติพวกเขาก็จะเดินเรียบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอแดนซึ่งเรียกว่าอิสแบงค์นะครับฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอแดนนี้เมื่อเขาเดินเรียบมานะครับพอมาถึงตรงช่วงที่ตรงข้ามกับเมืองเยริโคนั้นก็ข้ามจากเยริโคนะครับมาที่เยรูซาเล็มครับพี่น้องครับ ตรงจุดนี้เองนะครับเป็นจุดที่อยู่ที่ตรงบริเวณฝั่งตะวันออกนะครับ East Bank ของ e ยริโ o ของม่น้ำจอแดน West Bank ก็คือ e er ยร c โ o ครับอันนี้นเป็นการเดินในเส้นทางเดียวกันกันกบโยชัวขณะที่พวกเขานำคนอิสราเอลนั้นข้ามไปที่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาก็คือคานาอันซึ่งเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ สัญญาไว้กับบรรทัพทูตของเขาจากเยริโคนั้นเดินไปที่เยโอเซมนั้นใช้เวลานะครับนานพอสมควรแต่เป็นระยะทางสั้นๆครับก็คือประมาณกิโลเมตรเดียวครับแต่ว่าผลทางไม่ใช่ง่ายเพราะเนื่องจากว่าแค่กิโลเมตรเดียวจากเยริโคไปที่เยโอเซมนั้นต้องปีนฝ่ายภูเขาหินขรุขระมากครับพวกเขาก็ต้องระวังเรื่องการเหยียบหินที่แหลมคม ในทำนองเดียวกันเราจะเห็นว่าพวกเขาเดินทางด้วยความระมัดระวังแต่ก็ยังมีความสุขเพราะว่าเป็นการจาริกเพื่อที่จะมาแสวงหาพระเจ้าและนัการพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิหารและวิหารแห่งนี้เองครับเป็นวิหารที่ถูกสร้างโดยกษัตริย์โซโลมอนเรื่อยมานะครับ ในสมัยต่อมาก็ผุพังลงแล้วก็ได้ได้ถูกทำลายจะมีการบรูรณะสร้างใหม่ก็คือในสมัยของเอสราเอสราานี้ก็นำการบรูณรณะเศลุบาเบลก็สร้างพระวิหารใหม่สร้างที่เดียวกันครับและหลังนี้เป็นหลังที่สอง หลังนี้ต่อมาเรื่อยๆก็ผุพังเก่าๆจึงเกิดการบรูรณะใหม่ครั้งหนึ่งโดยกษัตริย์เฮโรสกษัตริย์เฮโรสนั้นก็ได้มีความตั้งใจที่จะเอาใจพวกยิวนะครับด้วยเห็นนี่เองทําให้กษัตริย์เฮโรสนั้นเขาได้รับการไว้วางใจจากพวกยิวในขณะเดียวกันก็รับการไว้วางใจจาก พวกโรมันด้วยพี่น้องครับให้เรานึกถึงภาพของการเดินทางเข้าไปที่เยรูซาเล็มของพระเยซูและคุณพ่อคุณแม่กับกองคาราวานพรรคพวกของเขาเมื่อเขาเข้ามาถึงภูเขาลูกสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปที่เยรูซาเล็มนั้นพี่น้องครับพวกเขาจะอ่านพระคัมภีร์ร้องเพลงสฉุิดี และเขาเมื่อเข้าไปอยู่ในพระวิหารแล้วเขาต้องก่อนจะเข้าไปเขาต้องถักเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนครับสวมชุดที่ดีที่สุดนะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูขณะที่ทรงเป็นเด็กทรงก็คงจะเล่นอยู่กับเพื่อนในวัยเดียวกันบางครั้งก็อาจจะวิ่งนำหน้าพวกผู้ชายไปหรือบรรดาแม่ๆไป บางครั้งเมื่อกระหายน้ําพวกเขาก็คงจะแวะกินน้ําที่ท่าน้ําำินทางหรือบ่อน้ําอาหารที่กินกันตามทางก็คือพวกอินทผลัมขนมปังข้าวสารีเนยแข็งส่วนกลางค่ำกลางคืนนะครับก็จะปรุงอาหารร้อนๆแล้วประทานกันแต่ละครอบครัวครอบครัวใครครอบครัวเขานะครับก็จะแวะพักผ่อนตามินทางบ้างเพียงครับในเทศกาลปัสการนั้น ในกรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นเทศกาลที่คึกคืนมากและยิ่งใหญ่มากเพราะยิวจะเดินทางมาจากทั่วทุกขนทุกแห่งทั่วโลกไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลขนาดไหนนะครับเมื่อเขามีโอกาสเขาต้องกลับมาที่เยรูซาเล็ม เ, เพื่อที่จะทําการถวายบูชาเพื่อที่จะเข้าร่วมพิธีปัสกามหาปุรหิตประจําการจะขับร้องเพลงคลอเสียงดนตรีต้อนรับผู้ที่เดินทางไปมาเพียงกับท่านทราบไหมครับว่าพวกเขาร้องเพลงอะไรครับ เราร้องเพลงที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมสรดุดีนะครับบทที่122ผมอยากให้พี่น้องฟังนะครับผมจะอ่านโดยใช้เสียงสูงเสียงต่ำบ้างนะครับเพื่อที่จะได้เห็นและได้สัมผัสถึงความรู้สึกและสุนทรียภาพด้วยกันโปรดฟังโรชนะของพระเจ้าสะดุดีบทที่122คำอธิษฐานขอสันติภาพให้แก่เยรูซาเล็มบทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด ความว่าข้าพเจ้ายินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าให้เราขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้าเธอเยรูซาเล็มเอ๋ยเท้าของพวกข้าพเจ้ากําลังยืนอยู่ภายในประตูกาแพงของเธอเยรูซาเล็มเอ๋ยเขาสร้างไว้เป็นนครซึ่งประสานแน่นไว้ด้วยกันเป็นที่ที่บรรดาเผ่าต่างๆขึ้นไปคือบรรดาเผ่าของพระเจ้าดังที่ได้กําหนดไว้แก่คนอิสราเอล ให้ถวายโมทนาแก่พระนามของพระเจ้าพระที่นั่งสําหรับการพิพากษาได้ตั้งอยู่ที่นั่นคือพระที่นั่งของพระราชบงดาวิดจงอธิษฐานขอสันนิภาพให้แก่เยโรเซนว่าขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงจำเริญขอสันนิพัทธจงมีอยู่ภายในกำแพงของเธอและให้ความปลอดภัยอยู่ภายในวังของเธอเพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหายเขาพระเจ้าจะพูดว่าสันติพัทธจงมีอยู่ภายในเธอ เพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระเจ้าของเราเาพเจ้าจะหาความดีให้เธอนะครับมีข้อสังเกตสองข้อนะครับที่อยู่ที่นี่ในข้อที่ห้าและข้อที่หกก็คือคําว่าพระที่นั่งของพระชวงดาวิดและข้อที่หกนะครับขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงสำเริญเนื่องจากวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอพระเจ้าวพอวยทัพรที่น้องที่รักทุกท่านเราจะต่อกันในวันพรุ่งนี้อาเมน